ก็เอาท่าใหม่อย่าไปนั่งคอตกอย่าไปนั่งอ่ อ, อนแดเหมือนคนขับรถบางทีเขา ง, ง, ง่วงเขาขับช้ากันไปบึง้งแรงๆสักก็หาย ง, ง่ว ง, งได้ใช่ไหมบางทีเขาบอกมึงง่วงเออขับช้ามันง่วงเอาแรงๆด้วยมือมือมืไปมันก็าหาย ง, ง่วงได้ทีเราก็ออกแรงจะหน่อยยกมือทุบเข่ายิ้มยิ้มปลุกตัวเองขึ้นมาเอาลุกขึ้นมาถ้ามันนั่งอยู่มัน ง, ง่วงลุกกันเดิน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 ขอเนืใจแบบพิม์แบบฉบับของพุทธเจ้ามาเข้าพิม์มาเข้าแบบมันหลงก็รลู้เนี่เข้าแบบถ้ามันหลงหลงไปไม่เข้าแบบเป็นขยะไปเลยเหมือนหล่อเสาหล่ปูนจะเอาเสกมต้องเอาแบบผมผมอ า, ารยต้มทำกติชื่อท่อใเหินมาขนาดไหนก็เอาเทปุลลงไปเ้าเป็นลูก ป, ปุมถ้าเอารูปเดี่ยวก็ชื่อไม้มาสามสี่แผน่นตีเป็นแบบแตีเทลงไป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 พอนอนเราก็มยไปอับน้ำแล้วก็มีเขี้ยวน้าสแตนเลสมีหูไปวางแผนอาบน้ำตั้งสติดีๆอ๋อเราจะอาบน้ำห้ากระป๋องน้นอยๆท่นนี้ลองดูทำได้ไหมทำได้เราจะพยายามไม่กระทบกกระเทือนน้าห้าป๋องอ่ะลองดูในชีวิตเด้อพอนั่งลงก็เอาน้าตักน้ำเทใส่หัวสูสบู่ไปสูสบูไ่ไเอามือลูบน้าผพาไป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 กอไปหาเก่หมากมาปล่อยกันหาซาลีเล่นกับพระเพชรจันยวเหน่อสมฝากกอาไว้ทั้งอภยเพชรสันอนก็ไม่ต่อนั่งบำเพ็ญภาวนาะกัหาสาลีกเออล็เอาอย่างเลียงบ้างเอาอย่างแกงเอาอย่างควงได้ใจไปโอ้ยไม่ได้เล่าเรียนก็ โ, โชคดีตามมาเอาไปวางแผนทันทีเลยจะให้ไปศึกษากเรียนก็ถึงกรุงศรีปี่พระเจ้ากรุงจใสใส่หลานไว้เลย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 หนีแบ่งเอาผัวใหม่ใช่ไหมก็ <g ül> <g ül> อบอกเลยอภิธรรไม่มาเอาทรัพสมบัติเลยอรัสมบัติทั้งหลายก็กลับคืนจู่พระครังได้อ น, นี่เรียกว่าปาริทัต์ลองดูมันเป็นอย่างนี้ทีนี่คนดูหมือล้อมเนี่ยเห็นเขาตีกันหาจารีน้อยน้อยกูดมันมาจะตีขนาด น, นี้เลยจับมาตีจริงๆนะกันหาจารีตัวได้กร้องให้